รู้เฉพาะตนตอนอยากมีสมาธิอ่านหนังสือกรณีเฉพาะตนของนายครอบจั ก, กรวาลหมายเหตุนามสมมุติอาชีพนักศึกษาลักษณะงานที่ทำเหมือนรับจ้างพ่อแม่ไปมหาวิทยาลัยฝืนใจตื่นฝืนใจเรียนแต่หัวไม่ค่อยแล่นใจจดใจจอรอเวลาเล่นเกมหรือไม่ก็หาจีบหญิงไปยานใหญ่ คำถามแรกจะฝึกสมาธิอย่างไรให้อ่านหนังสือได้รู้เรื่องขึ้นครับแต่ละครั้งที่จะเริ่มอ่านต้องฝืนมากแม้แต่คืนก่อนสอบแล้วก็ไม่เคยจดจ่ออยู่กับหน้าหนังสือได้นานๆอ่านได้บรรทัดสองบรรทัดจะอยากเมินไปทำอย่างอื่นทุกทีตอบถ้าไม่อยากทำอะไรใจก็ไม่จดจอกับสิ่งนั้นและถ้าไม่จดจอกับอะไรได้นานๆก็ไม่มีทางที่สมาธิจะเกิดขึ้น